No, no, no. เราก็สาธยายทำชาววัดเช้าเอาคําเทศนาของพระพุทธเจ้ามาสาธยายกิดใจใจใตามทําตามที่พพุทธองค์ทรงแสดงทรงสงสอนพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกสอนการกระทําเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่สอนการสอนเนี่ยมันกิดอยู่ในห้องเรียนแต่ภาค บอกเนี่ยไม่ใช่อยู่ห้องเรียนเอาไปทําอยู่กับขายกับใจเราเรามีกองลูกมามากแล้วได้ศึกษามามากแล้วผ่านล่วงมหาวิเลยมามากแล้วลู่ดีลู่ชั่วมามากแล้วแต่ให้ทําลองดูมีสติภายในกายทำเป็นไหมอาจทาลองดูมีสติภายในกายมันมีสติภายในกายตลอดเวลาไหม มีอะไรที่ไม่ใช่สติขวงหน้าขวงหลังมีไหมเราทําเป็นไหมเวลามีสติถ้ามันหลงทําไงถ้ามันสุขมันทุกข์ทำไงเราทําเป็นไหมตอนนี้หัดทําให้เป็นพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสติภายในกายเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําทุกวินาทีวิธีใดที่จะลู่กายเป็นประจํา ใครเชื่อรู้วินาทีหนึ่งหลงไปสิบวนาทีไม่เป็นประจํา น, นั้นเรียกว่าทําไม่เป็นวิธีใดที่จะเป็นประจําเราทรําอะไรที่ทําประจําทํางานประจํามันก็สําเร็จเสถียรได้จํนานาญในการกระทําที่งานที่เราทําการมีสติเป็นากายเป็นประจําบางทีมันเกิดอะไรขึ้นไมไ่จากถอน ถอนความพอใจและความไม่พอใจบางทีมันมีความพอใจบางทีมันมีความพอใจกับการกระทำของตนอาอเหตุอผลมาประกอบเอาความผิดความถูกมาประกอบเอาความยากความง่ายมาประกอบไม่ใช่เป็นประจําให้มันเห็นเห็นกายในกายเป็นประจําถอนความพอใจและความไม่พอใจในกายในใจออกเสียได้ เข้ามาถึงภาวะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันหลงก็รู้มันทุกก็รู้มันสกก็รู้เรียกว่าเป็นประจำถ้ามันหลงไม่พอใจถ้ามันรู้พอใจเรียกว่าไม่เป็นประจาเล็นวักแล้วให้ต่อเนื่องถันก็ไม่เดินมันเราเดินทางประโยชน์เลื่อยเสียเวลาไปสองฝั่งซ้ายฝั่งขวา แม้ก็มีสร้อยขัวก็มีมีสุขมีทุกข์ขวาแปลว่ายินดีสรอยแปลว่ายินร้ายพอใจไม่พอใจเราฝั่งสอยฝังขวัวผู้มีสติต้องไม่ไม่พอใจรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยอรู้ไปเรื่อยมันก็ผ่านไปเรื่อยถ้าสุขก็ไม่ผ่านถ้าทุกข์ก็ไม่ผ่านนี่ลักษณะของการกระทำ มันจึงจะจำนี้จำนานขึ้นมาจนเห็นการที่แสดงออกของกายของใจลสต่างๆความยินดีความยินร้ายความสุขความทุกข์ไม่ใช่เห็นแต่กายสภกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความสุขก็ไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราความยากความ่ายไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นกายเป็นสักว่ากาย เห็นสุขเห็นทุกข์สวะสุขวะทุกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันมีมันมีอาการเกิดขึ้นกับกายกับจิตของเรานอกจากนี้เราว่าจำนี้จำนานา ian, ความหลงสอนให้เรารู้สึกตัวความรู้ทำไมเรารู้สึกตัวความทุกข์ทำไมเรารู้สึกตัวความสุขทำํำไมเรารู้สึกตัวความผิดทำํำไมเรารู้สึกตัวตรงนี้เราว่าทําเป็นแล้ว ที่มันทําไป็นางนี้เพมันมีสิ่งที่ทำให้ผิดยึงทําเป็นถ้าแบนไผิดก็ทําให้เป็นมันคนขับรถตรงไหนที่มันผิดแก้ปัญหาได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขับรถเป็นเมื่อแก้ปัญหาได้เกิดกาจุกเสลิมเฉพาะหน้าแก้ปัญหาได้เราขับเป็นแล้วยิตของเราที่ทําเป็นมันต้องเป็นในลักษณะแบบนี้มันผิดรู้สึกตัว มันถุกรู้สึกตัวมันทุกข์รู้สึกตัวอะไรที่เกิดขึ้นกับป่ากับไจรู้สึกตัวอย่างแน่ว่าทำเป็นทำให้เป็นเมื่อมันเป็นอันนี้เพื่อผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือไปสุขไม่ผ่านไม่ทุกข์ไม่ผ่านไปผิดก็ไม่ผ่านไปได้ก็ไม่ผ่านไปเสียก็ไม่ผ่านจึงเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆมันจึงจะหนีจากโลกได้ความพอใจเป็นลดของโลก ามไม่พอใจเป็นรถของโลกอย่าให้ค่าอย่าให้รถชาติรถเนี่ม <Jub ilee> ันติดนะสัตว์โลกนี่ยมันติดรถของโลกบางทีแม้แต่ความโกรธก็ติดความทุกข์ติดความรักก็ติดความชังก็ติดติดรถของโลกมีค่าให้ค่าความสุขให้ค่าความทุกข์แสดงไปตามความสุขแสดงไปตามความทุกข์เรื่อว่ามีค่าไม่เห็นว่าสัจธรว่าไม่เห็นสักแต่ว่า ให่หัดทำาน่อนี้หัดทำให้เป็นการทำให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราไม่มีใครสอนเราได้มีแต่ตัวเราเนี่ยสอนตัวเราเพราะเดินสอนมาได้เด็ดขาด<ม>เรานี่ต้องสอนเราเอาบทเรียนจากอาการต่างๆประสบการณ์จากอาการต่างๆบทเรียนมาใช่เหมือ น, นวิชาทางโลกมันม า, มาทุกโอกาส ไม่เหมือนกับทําวิชาอะไรต่างๆเค่นคณิตศาสตร์เขาให้โจทย์ห้าบวกห้าเป็นสิบโจทย์มันสําเร็จแต่ถ้าทางทำเรานี่ก็เพิ่มหลงกับความรู้ถ้าไปเป็นผู้หลงถ้าเป็นผู้รู้ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าเห็นนี่ว่าผ่านชีวิตของเรามันต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เอาผิดเอาถูกกับการกระทําของเราให้เห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันสุเขเห็นมันทุกข์ จนว่าเห็นมันเกิดมันแก่มันเก็บันตายไม่ใช่เราเลยทีเดียวมันเห็นว่ามันต้องมีมันมีลูปมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีนามต้องเป็นอย่างนั้นแต่อันรูกันนามที่มันแสดงออกมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแานที่เราตรวะพิจารณาสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเจอขึ้นแล้วเดาไป เกิดกันแล้วหายไปมีแล้วหายไปมันเกิดมันดับกี่ภพกี่ชาติความรักความชังกี่ภพกี่ชาติความสุขความทุกข์กี่ภพกี่ชาติแล้วก็เกิดดับเกิดดับเปิดทุกข์ขาเป็นทุกข์ลมไปะแปลสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ตนยากพอเกิดกันแล้วแก่จ็ตายไปรูปนี้เป็นเป็นก้อนทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจออก ต้องเกินต้องลายต้องพิบตาต้องเหนต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องยืนเดินนั่งงอนมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นลูกที่มันไปกองทุกข์มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไม่มีใครป้องกันมันได้ไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้มันไหลไปอยู่นั่งอยู่นี่งก็ไหลไปไไปสู่ความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนหนึ่งไปเกิดไปแก่ไปแก่ไปตาย วันเวลาผ่านไปเท่าไหร่มันก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเอาไม่อยู่อ น, นี่ว่าลูกไม่ไีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่ในลูกนี้แต่เรามาเห็นมันเนี่ยเรามาเห็นมันมันแสดงให้เราเห็นทุกเวลาสเรสังกราอนตตาติยถาปัญญาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราหายตัวไปเลย ไม่มีไม่เป็นอะไรมีแต่เห็นมันเห็นมันแสดงเป็นอาการของกายเป็นอาการของ จ, จิตใจมันก็จบไปอะไที่มันแสดงอันเดียวไม่ใช่มากมันเกิดขึ้นไม่ใช่มีแบบนั้นให้เหมือนเชื่อโลกแต่ในรูปในนามนี่เกิดขึ้นอยางเดียวผมโกรกันเดียวผมทุกคนเดียวผมลคกามชังอันเดียวไม่มีอันอื่นอีก มันก็นมีเท่านี้ความโกรธอันเดียวโกรธจีข้างจีหนุนอันเดียวใครโกรธก็เป็นอันเดียวกันใครทุกข์ก็อันเดียวกันใครสุขก็อันเดียวกันแต่มันอยู่ที่สมมติบัญญตัติที่ไปบัญญัติแต่ว่าสุขว่าทุกข์ต่างกันแต่แต่บัญญัติเอามันมีสมมุติเล้วกมีบัญญตัติมีวัตถุมีอาการในรูปในานามนี้วัตถุคือตาคือหูคมูกดิ้นกายใจต้องมี รูปมีลดมีจินมีเสียงมันก็มีอาการเมื่อวัตถุต่อวัตถุสัมผัสกันมันก็มีสมตมติเข้าไปขวงกันมีวิชามีอวิชาอวิชาก็ไม่รู้ไม่ศักแต่ว่าไม่ศักว่าไม่สักว่ า, ม, วามันหยาดเอาพอใจไม่พอใจตามสมมติที่เราไม่รู้จักควบคุมปล่อยให้เขาแสดงไปตามเหตุปัจจัยเขาเราองแค่ที่เหตุ ทุกอย่างต้องแก้ที่เหตุให้ใช่ไปห้ามเราจะมาศึกษาดูมันสนุกดีมาเห็นของจริงเห็นความหลงก็หลงจริงๆความหลงมันก็ไม่จริงแต่เราถือความหลงเป็นความหลงเป็นทุกข์ผิดพลาดทํดทาตามความหลงบางที่มันไม่จริงก็ไปอยู่เสียเวลาความหลง เสืยเวลากับความโกรธความโกรธมันก็ไม so ่จร so so right? so so so so so ิงแต่ม no ันจริง so ส so so ําหรับปัญญาต่อเราก็โกรธจริงๆเป็นทุกข์จริงๆแยงออกได้ไม่รู้จักอายความโกรธแต่มันไม่จริงความเป็นทุกข์ก็มีอยู่จริงแต่มันไม่จริงมั้นเป็นจริงแบบเป็นทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่มีจริงความไม่เที่ยงก็ไม่จริงมันจริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันจริงแบบความเที่ยงไม่จริงแบบนั้น ถ้าเหลวไหลเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นแล้วมันเป็นไงนันก็หลุดพันเห็นแล้วมันก็หลุดพ้นได้ถ้าเป็นแล้วก็ไม่หลุดเหมือนเราเห็นตัางานเห็นงูงูพิษเราจะให้งูมันกัดเราไม่ไม่เป็นเชนั้นถ้าเห็นแล้วมันก็มันก็หลบตดกได้เห็นความหลงหลบเด็กความหลงเห็นความทุกข์ลบเล็กความทุกข์เห็นความโกรธลบเด็กความโกรธ บางคนละอ่านกันเราเห็นแล้วเรียกว่าผ่านได้จนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกิจเห็นหมดเห็นครบเห็นท่วนเกี่ยวข้องกับอะไรถูกต้องจึงมาฝึกตนสอนตนทําให้มันเป็นอย่าโง่ตรงนี้อย่าดื้อด้านคนหลงคือคนดื้อคนโกธคือคนหัวดื้อคนทุกข์โกรกหัวดื้อสอนไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อ เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธไม่เปลี่ยนทําให้เป็นเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำไม่เป็นแล้วก็ดื้อไม่บาอถ้ทุกข์ก็ทุกข์แล้วไม่บาปแทนที่จะได้บนตรงมันทุกข์มันมีผิดก็ไม่ถูกตรงนั้นไม่ทําลองดูทําไม่เป็นเพราะไม่หัดให้ทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนได้ไม่อายดื้อด้านให้มีใครดื้อเท่ากับตัวเราดูดีๆนะโอ้ย เสียเปียนเสีเยเความโกรธเสียเปลียนความทุกข์เราเคยเสียเปรียบมาเสียหายมากว่าจะมาลูกเรื่องนี้ชีิตก็ผ่านไปเกือบจะคลางต่างคนไปแล้วเสียหลายเวลาที่ผ่านไป mm hmm. มนแต่ประมาทตัวใดประมาทแล้วในปางก่อนภายหลังไม่ประมาทอ่านดีเหมือนองค์ปริมาณแต่ก่อนประมาททำผิดมาก่ า, าย พอมาได้ยินพระพุทธเจ้าบอกขณะนั้นองค์เทมารเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสมณะจับดาบไล่ตามจักเขยนฆ่าพาระเจ้าก็อบอกว่าหยุดองค์เิมารบอกว่าหยุดพระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอยังจับดาบไล่ฆ่าเลยฝันเราอยู่แต่เราหยุดทำความช่วแล้วองค์เิมารได้ยินแค่นี้ก็รู้ มองตนเห็นตนว่าทำคี้ว่าจริงๆการเห็นลักษณะนี้เราเห็นเต่้ยบพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นตอนที่ตนถือดาบจะฆ่าจะควันอยู่มันก็พบเห็นนั่นเีการพบเห็นอย่างนี้เรียกว่าวิชาเหมือนเราเห็นความหลงพบเห็นความหลงก็ไม่ไม่ให้ความหลงมาอยู่กับเราพบเห็นความทุกข์ก็ไม่ให้ความทุกข์มาทำลายเรา เขาเป็นความโกรธเขาม่ให้ความโกรธมาทําลายเร า, ราเก็แก้ตรงนี้ได้ไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนน่ยถ้าได้โกรธไม่ลืมถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมถ้ากูได้โกรธก็ไม่ได่ามันกูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธก็ไม่ฆ่ามันกูไปยอมแล้วก็เกิดการเสียหายไม่ปลอดภัยเราจะมาปลุกตนสอนตนให้เริ่มต้นจากเต่านี้ก่อน ถ้าทุกคนมาฝึกตอนอย่างนี้มาดูมาแลตอนอย่างนี้มันก็สงบร่มเงย็นทั่วโลกเพราะชีวิตของเราอันเดียวกันเราลู่ศึกตัวก็เป็นตัวลู่อันเดียวกันไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นฤทิเนกายเพศอะไรอะไรภาวะลู่ศึกตัวที่เราลู่อยู่ขนานี้ก็เหมือนกวามลู่ศึกตัวที่อยู่ในกบพุทธเจ้าสมัย 4,000 ปี 3,000 ปีอันเดียวกันไม่มีการไม่มีเวลา แม่น่าจะขัดสนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระตือรือร้นมากอันเดิมเราทําได้แต่เรื่องนี้มาอยู่กับเราเพียงมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้เหงื่อไม่ออกไม่เหมือนไล่โยงด้วยซ้าไปไล่โยงต้องมีมือต้องมีพัดลมต้องมีสร้างว่าสร้างเรือนมุ้งรดูดหาอยู่หายามาทาอันไล่ความหลงเนี่ยมันไม่ต้องมีวัตถุที่งที่สงมันอยู่กับ ด้วยกันเมันหลงก็รู้อยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์ก็รู้อยู่ด้วยกันแล้วแค่นี้เองรัดเนื้อมือเดียวมันทำได้จริงๆตวนที่จะเป็นวิชาเอกนี่เป็นวิชาเอกจริงๆถ้าไม่จบตรงนี้ก็ไม่จบนะชีวิตขอเรามีปัญหามีภรรละต่อไปเรื่อยๆมีภยัยในชีวิตเราก็มีภยัยอยู่แล้วเกิดเจ็บเจ็บตาย เราตั้งกัิภัยที่เกิดขึ้นมาในภูมิต่างๆเราจึงประมาดไม่ได้เป็นการบ้านเอาให้หมดภัยเถถ้าหมดภัยทำลายเอาวิชาลงได้ก็เรียก ว, ว่าอาลยอกุนอาลีแปลว่าภัยยะแปลว่าพ้นภัยพ้นข้าศึกพ้นภัยเราจึง ใส่ใจกันบ้างในเรื่องนี้อยา่าพล่อให้เิตุของเราหลงเทศหลงทางอยู่มันมีทางทางมาอยู่ที่เราเหยียบเราเดินไปทางมาอยู่ที่ความไม่เป็นทางที่ไหนไม่เป็นทางเราใช่ที่นั้นให้เป็นทางมันมีอยู่เพื่อนความหลงไม่เป็นทางเราเหยียบความหลงออกไปให้มีความรู้ จากความหลงกลายเป็นความรู้เดี่ยวาทางอยู่ตรงนั้นจากความผิดกลายเป็นความรู้จากความถูกกลายเป็นความรู้จา ก, ก, ก, กความทุกข์กลายเป็นความรู้จากความโกรธความโลภความหลงกลายเป็นความรู้ทางม่อยู่ตรงนั้น <M> ไม่ใช่อยู่ที่ใดตัวรู้นี่แหละเป็นสร้างทางขึ้นมาภาวะที่รู้นี่เหมือนกับใบมีดของรถแท็กเตอร์มันผ่านไปตรงไหนมันก็เป็นทางตรงนั้นลอยขางความรู้จึกตัว ไปในกายลองไหวควมรู้จึกตัวไปในเวทนาลอยแห่งควารู้จึกตัวไปใน จ, ใจิตใจลอยแห่งความรู้ตัวไปในธรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลเห็นทั้งสองอย่างนี้จะลอยมันก็ไม่ไม่หลงเวลาอะไรเกิดขึ้นก็นเห็นทางพบทางความเจ็บเกิดขึ้นก็บพบทางเห็นมันเจ็บกองแก่เกิดขึ้นก็พบทางความ ตายเกิดขึ้นกับพวกทางแตะเน่ะว่าอาริยมรรคเป็นทางไปสู่มรรคผลที่ผ่านเราจึงประมาทไม่ได้การมีการบ้านควมหลง เ, เป็นการบ้านความทุกข์เป็นการบ้านความโกรธเป็นการบ้านเราจะหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายมันไม่ใช่ชีิตเราถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่มีค่าอะไร เป็นคนที่ทุกข์ี้ยากการที่จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้เราไม่ทำไปสนใจเรื่องอื่นมากเกินไปเราผิดเราถูกต้องเตือนตนสอนตนการสอนตนเรียกว่าบันดิตการเพ่งโทษคนอื่นเรียกว่าคนพาล น, นี่เพราะเราก็เป็นเพื่อนกั น, นก็อยู่ด้วยกันมีอะไรที่เหมือนเหมือนกัน ถ้าหลงก็เหมือนกันถ้าไม่หลงก็เหมือนกันก็เป็นกัลยาณมิตรว่าความไม่หลงก็มีความไม่ทุกข์ก็มีความไม่โกรธก็มีเราก็ได้ยินได้ฟังเอาไว้ดางที่เราทำไม่ได้<ม>ในเวลานี้<ม>ถึงข่าวที่มันจนตกกาา็มามอาจจะคั้วเอาได้เรียกว่าตกกรไดพอยกระโจน เหมือนของการพวกเราภาวนาทุสติท่าที่ทองก่อนใจจะขาดต้อยินเอาไว้ถ้ามันชวนเข้ามาจริงๆทำไงเราเคยโอ้เคยได้ยินแบบนั้นเคยได้ยินแบบนี้ทําดูทดําดูผมก็ทําได้มันไม่ต้องหาที่ใดมันมีอยู่กับเราแล้วความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีตัว น, นั้นุกก็ะไดพอกระโจนไม่พอให้แข่งเก็บ ขณะที่มันผิดภลาดจนว่าไม่มีไม่เป็นอะไรได้อยากจะเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับกิเลสจะทำเหมือนหมาตัวหนึ่งสติเหมือนช้างนี่ว่าเราทำเหมือนมแมลงสติเหมือนนกอินทรีสังโยชน์ทั้งหลายที่ข้องติดเราอยู่เหมือนเชือกสติน้ําเหิือนดาบงั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้ สิทสติจะต้องใช่แบบนี้เวลานี้อะไรมาผูกว่าตัดออกได้อิสติง่าไม่มีเดี๋ยวนี้มีเวลาใดก็ใช้ได้เวลานั้นเพื่อช่างสวัสดหูช่วงหูแดบลิ้นก็เป็นประโยชน์เมื่อเราใช้เรามันใช้ได้สำเร็จก็เห็นคุณค่าตอนนั้นเลยถ้าหมามเห่าช่างมองดูวันวันไหวไหมถ้า ห้ง อ, งองหัวหอนอนลังเลสงสยัยมีสติดูมันไม่ยากงั้นมาแรงอันหนึ่งตามห่วหน้าห่วงหลังปริโภทศกลางบนในชีวิตทรัพย์สินลูกหลานบทพัญยาสามีญาติบริโภทศทรัพย์สินบริโภทศการงานบริโภทศสุขภาพบริโภทศมีสติร่องรูเพรามันเกิดบริโภทศมันไม่มีตัวไม่ตน มันก็ตัดได้ผลในสุดก็ไม่มีไม่เป็นอะไรกลับอะไรเลยสป็ชีวิตที่ปลอดภยัย